ทำมบทแปลเรื่องที่86เรื่องพราหมู่ผู้เป็นหลานของพระสารีบุตรเถระภาคที่สเรื่องที่6ของวัคที่8สหัสวรรษวรณน า, นาพระศัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวรุวันทรงปราลบหลานของพระสารีบททรุตรเถระตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าโยจาวัศ ส, สตังจันตุเป็นต้น ความพิสดารว่าพระเถระเข้าไปหาหลานแม่นั้นแล้วถามว่าพราหมณ์เธอทํากุศลหรือพราหมณ์อย่างนั้นก็ครับพระเถระทํากุศลอะไรพราหมณ์ฆ่าสัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งแล้วบำเรอไฟทุกๆเดือนพระเถระทําอย่างนั้นเพื่ออะไรพราหมณ์เขาว่านั่นเป็นทางแห่งพรหมโลก พระเถระใครว่าอย่างนั้นพราหม์พวกอาจารย์ของกระผมก็รับพระเถระกล่าวว่าเธอไมอ่รู้ทางแห่งพรหมโลกเลยแม้พวกอาจารย์ของเธอก็ไม่รู้มาเถิดเราจะไปสํานักของพระศัสดาดังนี้แล้วนําหลานนั้นไปสู่สํานักของพระศัสดาทูลเรื่องนั้นแล้วกราบทูลว่าพระเจ้าค่ะ ขพระองค์ตรัสบอกทางแห่งพรหมโลกเกี่ยวพราหมน์นี้พระศาสดาตรัสถามว่าได้ยินว่าอย่างนั้นรึเมื่อพราหมณ์นั้นถูนว่าอย่างนั้นพระโกดมผู้เจริญจึงตรัสว่าพราหมณ์การบรรมเรอไฟของท่านผู้บรรมเรอไฟอย่างนั้นตั้งร้อยปีย่อมไม่ถึงแม้การบูชาสาวกของเราเพียงขณะเดียว เมื่อจะทรงสือปนุสนทิ่แสดงธรรมจึงตรัสพระคาถานี้ว่าโยจะวัสสสตังจันตุอักิงปริจเรวเนเอกันจะพาวิตตานังมหุดตมปิปูเชเยซาเยวะปูเชนาสโยยันเจวัสสสตังหูตันติก็สัตใด พึ่งบำเรอไฟในป่าตั้งหนึ่งร้อยปีส่วนเขาพึ่งบูชาท่านผู้มีตนอบรมแล้วผู้เดียวแม้ครู่หนึ่งการบูชานั้นนั่นแลประเสริฐกว่าการบูชาตั้งร้อยปีของสัตว์นั้นการบูชาหนึ่งร้อยปีจะประเสริฐอะไรเล่าแกอดัดบรรดา บ, บทเหล่านั้นบทว่าจนตุนีเป็นชื่อของสัตว์ บาปพระคาถาว่าอักยิงปริจเรวณีความว่าแม้เข้าไปสู่ป่าโดยปรารถนาความเป็นผู้ไม่มีธรรมเครื่องเนื่นช้าพึ่งบำเรอไฟในป่านั้นคำที่เหลือเช่นเดียวกับคำที่มีในก่อนนั่นแหลในเวลาจบเทศนาพ ร, ราหมณ์บรรลุโสดาปฏิผลชนแม้เหล่าอื่นเปน็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปฏิผลเป็นต้นตั้งนี้แลเรื่องพรามผู้เป็นหลานของพระสารีบุตรเถระ